ป่าสุกโตเนี่ยก็ <c oughs> อันอื่นก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่มีแต่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติอันนี้ยกให้เด่นใช้ชีวิตวันหนึ่งให้เด่นเรื่องสติแต่อยู่ในสถานการณ์แบบใด <c oughs> พยายาม ให้มันเด่นอยู่เสมอความรู้สึกตัวกำกับการใช้ชีวิตประจำวันเติมความรู้สึกเข้าไปอย่าไปเติมความหลงความหลงมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะหลงมากแต่ความรู้ต้องเกตนาต้องเกตนาต้องใส่ใจในรูปแบบบ้าง <c oughs> อันยกมือการสร้างจังหวะแต่ว่าการหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นธรรมชาติใครจะรู้ใครจะไม่รู้มันก็หายใจอย่างนั้นแต่ถ้าเจตนาจะหายใจเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการเจตนาสร้างจังหวะ มันเป็นการปลูกเป็นการขย่วที่พอเพียงที่จะทำให้มีสติเห็นกายตามตำราตามวิชาการกายานุปัสสนาสติปัฏฐานห็นว่ามันเพียงพอมันสมบูรณ์ในการกระทาเพื่อจะให้มันเห็นกายเพื่อจะให้เป็น คโพูด <c oughs> หรือเป็นการกระทําไปในตัวจะว่ากายานปัญนาไม่จะได้เห็นกายต่อไปมันก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมมันก็จะขี้เอาขี้เอาเ่ามันมีหลักมีหลักมีจุดยืนในที่ตั้ง มันก็จะขี้ถูกไม่ได้ขี้ผิดเราไม่ที่ตั้งแล้วนี่ก็คือกายนี่ก็คือเวทนานี่ก็คือกิตนี่ก็คือธรรมบางทีมันก็เห็นชัดลงไปว่าสัแตว่าพอสักแต่ว่ามันก็เป็นปมรมัถสภาวะธรรมแต่เห็นกายเฉยเฉยมันเป็นอ๋อ สมมุติบัญญัติมันเป็นการตั้งไหวเฉยๆแต่มันเห็นกันไปจนสัตว์ว่าตายนะเป็นปรมัาถสภาวธรรมถ้ามันทะลุทะลวงไปถึงปรมัา ถ, ถสภาวธรรมมันก็จะทุกอย่างมันก็จะไปถึงสุดนั้นแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนหรือความโลภความโกรธความหลงมันเป็นสมมุติบัญญัติ ความรักความชังความชอบใจความไม่ชอบใจมันนะ่ะมันเป็นสมมติบัญญัติตามันเห็นปรมมัดสัจจะมันก็เห็นว่ามันก็ของโกรธมันก็ไม่ใช่ตัวเชยตนอะไรมันก็ไม่หยุดอยู่แค่เนี้มันกทะลุทะลวงไปถึงปรมมัดเป็นเช่นนั้นเอง ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ไหนเราโง่เราหลงเราสมมุติเราบัญญัติเราไม่มีสติถ้ามีสติมนความรู้สึกมีความระลึกได้มันก็ง่้ที่จะเข้าถึงปรมัฏฐสภาวัธรรมแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ชนหน้าผาชนกำแพง ไปหยุดอยู่แช่ความโกรธไปหยุดอยู่กับความโลภความหลงไปหยุดอยู่กับความรักความชังไม่ทะลุไม่ล่วงไม่พบทางที่นี่เราจึงต้องเจริญสติแต่เจริญสติเพราะเราจะเป็นคนคนเดียวกันแม่แต่ว่าพวกเราจะ ม, มาต่างหลายชาติบ้าง หลายความคิดเห็นหลายตระกูลหลายเพศก็ตามถ้ามีสติจะเป็นหนึ่งเดียวทันทีมีการเคลื่อนไหวรู้สึกเหินจงกรมรู้สึกเราจะเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าหลงอะไรก็เป็นหลายหลายหลายหลายอย่างหลายคนหลายชีวิตหลายความเห็น อันนี้ถือว่าสะดวกแก่การศึกษาศาสนธรรมถ้าเราจเจริญสติเนี่ยถ้าไม่มีสติจะไม่สะดวกจะต้องกังวลเรื่องทมเรื่องวินในเรื่องรูปแบบอะไรต่างๆโดยเพราะพระบวดใหม่กลัวที่จะเกิดความผิดความพลาด ต้องเอาบัตรเพือจะเป็นบาปถูกหรือผิดหลังเลยสงสัยอยู่แต่ถ้าเรามีสติแล้วมันก็คือมั่นมั่นคงเราจะดูมันอยู่นี่ก่อนที่มันจะผิดศีลผิดระเบียบวินัยมันต้องหลงก่อนหลงแล้วมันก็พูดผิดทำผิดคิดผิด ถือ่าสะดวกนะปฏิวัติธรรมอาจจะทำบาปอาจจะไม่สะดวกกว่าการทำความดีของบาปต้องหาการละเวลาเห็นโจรเช็นผู้ล้ายก็จะไปลักไปขโมยต้องหาโอกาสเขาจะไปพ้นก็ต้องหาโอกาสทำความชั่วสำเร็จต้องมีโอกาสต้องมีความเหมาะสม แต่ถ้าเราทาความดีเนี่ยไม่ต้องหาโอกาสทันทีเลยเป็นไม่มีการไม่มีเวลาจะนอนจะนอนจะยืนจะเดินจะพูดจะคิดจะหยุดในสถานการณ์แบบใดก็ <c oughs> ตามของวันกลางคืนก็ตา ม, ตามรู้สึกได้ทันที ก็ปลอดภัยนะถ้ามีสติปลอดภัยถ้าขาดสติก็มีภัยการเจริญสตินี่ก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ได้ทําให้เกิดความบริสุทธิ์ไม่เปื้อนเพื่อนละโลมากก็บริสุทธิ์มากละโลน้อยก็บริสุทธิ์น้อย สัมผัสกับความรู้รองดูแล้วก็จะสัมผัสกับความหลงมันจะต่างกันแต่ก่อนเราอาจจะหลงไม่เป็นไรคิดอะไรก็คิดได้คุคิดในอารมณ์ที่คุ่นคิดความคิดคิดไปต่างๆนาะนาะได้แต่พอมามีสติมามีความรู้สึกตัวหรอ โอ้ความคิดเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยนะทำให้เปื่อเพนได้พอมีสติพะมันหลงคิดไปหรอกโอ้ค้ายๆก็ว่าตกใจรีบรีบปรับปรุงเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนมันไม่รู้จะเปลี่ยนหรอกทั้งคืนก็ว่าฟันกลางวันก็ว่าคิดคิดไปสารพัดอย่างคิดได้คิดดี อะไรๆก็เกิดจากความคิดทั้งหมดแม่การกระทําก็ยังเอามาคิดทั้งๆที่ไม่สําเร็จต้องทํามันจะสําเร็จเล่นในความคิดกันแต่พอมามีสติโูกกายโูกกายโลกกายคนและเรื่องเลยมันตัวคิดจึงขี้มันได้ว่านี่กิจสักว่ากิจไม่ใช่สัตว์รูคลตัวตนเราเขา ถ้าไม่มีสติเป็นหลักมันจะขี้ขี้ผิดที่ถูกไม่ได้แต่เรามีสติมีที่ตัง้งจะขี้ผิดขี้ถูกไ ด, กกด้นี่สักวิกินี่สักวกาย น, นี่สักวเวทนานี่สักวธรรมแล้วก็เห็นถ้าไม่เห็นก็จะไม่ไม่เกิดคําพูดวันนี้ เห็นเป็นผู้เห็นเห็นไม่ใช่ตาเห็นตาในคือสติปัญญาเห็นมั่นใจจนขี้ลงไปว่านี่คือกายนั่งอยู่นี่รู้อยู่นี่พอมันคิดขึ้นมารู้ทันทียังไม่เปิดเพื่อนด้วยเหมือนกับสิ่งสกปรกเกิดติดเสื้อผ้าเราต้องก็เคิดออกทันที พยายามให้มันมาเพื่อเพื่อนได้วิธีที่จะเช็ดมันออกไม่เหมือนกับเราเป็นเด็กสมไมเป็นเด็กเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จักตอกเข็นทีโครนก็ลงลุยเลยเห็นอะไรก็เช็ดผ้าเ <c oughs> ช็ดตอนนุ่งร้อยก็แข่งเกงกับเช็ดเก่งเก่งในเสือ้อกับไปเช็ดเสือ้อ ไม่รู้ว่าเพื่อนอะไรเหมือนแบบถ้าเราโตขึ้นมาเราก็รู้จักแล้วกันอะไรก็ดีคนมีสติก็จะเหมือนกับเรามีชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่รู้สิ่งที่ไม่ดีรู้สิ่งที่ผิดที่ถูกโดยเฉพาะเรื่องกิจใจเ่ยสําคัญกว่ากายหมายเลขหนึ่งเลยเปื่อนไม่ได้ ต่ไปลงคิดคุ้นคิดไม่ได้ต้องรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวการเจริญสติปัฐฐาเนี่ยเหมือนกับการสอนครบทวดบริบูรณ์ทั้งกายทั้งใจด้วยแต่ั้นพวกเราให้เกิดจากการกระทำแต่มื่อแต่คิดเอาเหตุเอาผลเอาผิดเอาโทษ อยาเพึ่งไปเอาผิดเอาถูกให้มันเห็นทำให้มันเห็นเอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตำร า, าตำราอยู่ในหนังสือมันก็มีอยู่มีสาสนธรรมสมบูรณ์ที่สุดคำสอนของ พ, พุทธเจ้ามีะไษาพิทกภาษาบาลีภาษาไทยอันนั้นต้องเรียนอาศัยเวลามากๆ ผมก็ไม่ได้เรียนนกลู่น้อยๆเท่ากับแสงเหงืห้อยน่ยอเอาตัวรลอดได้อาชนะตัวเองได้รือว่าปลอดภัยได้แต่ว่าู้ไม่มากเอาตัวหลุดตัวหลอดได้แล้วก็ไม่รังเลสงสั ย, ยาการปฏิบัติธรรมถือว่าต้ง ไม่แน่นชาจนพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไอ้พิสูจน์ลองดูจเจริญสติปัฏฐานสี่กายานุปสนานสติปัฏฐานเนี่ยเตยทนานุปจนาจิตตานุปสนานธรรมานุปจนานเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี นี่ก็เราก็โอ้ยสะดวกลแล้วอยาจะพูดแล้วสะดวกของคขังพุทธการนะขังพุทธเจ้าเลยโอ้ยลำบากกว่พวกเราเพองค์ต้อ ง, รงเรียนต้องพูดต้องสอนไม่พูดเดียวเราเนี่โอ้ยเต็มบ้านเต็มเมืองผล่พูดสอน อย่างน้อยนักปราชญ์ในเมืองไทยเนี่ยเจ้าคนปฎิทธธาดเจ้าคนประยุทธ์เจ้าคนทําีิดอกเนี่ยตายแต่สมัยของพระเจ้านี่เพียวองเดียวอย่างเขาที่ไปอุ้งวันตาราเขาที่ไปกะบินรัพัดเนี่ยองค์นั่งเทศนาอยู่ตลอดทั้งคืน ไอ้แก่สาลไ้แก่สาแก่ทา ย, ยาตเทศตอดขึ้นต้องไปเดินลอนแรมปเป็นเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าองก็ปวดหลังได้ขอให้พระสารีบุตรเทศช่วยปวดช่วยเห <c oughs> ็นเป็นองเดียว อก็การความเป็นอยู่ก็ลำบากของพวกเราเอาจจะไม่ไม่มีไฟฟ้าไม่มี อ, อะไรเหมือนกับพวกเราไไหนมาไหนต้องเดินการเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นลานน้อยที่สุดความเป็นอยู่ก็อาจจะไม่เหมือนพวกเราถนนลาดยางใช้ชีพประจาวัน ลำบากของพวกเรากเราได้เปรียบพอบวชมาวันเดียวก็จัดที่อยู่แล้วมีกติมีอ้ามไม่ไปไม่ห้องน้าห้องสวมเราก็สะดวกสะดวกเพื่อภาวนาให้เพื่อภาวนาดูสิ้ระบัติของพระเจ้าเรา จนตัวหน่อจนแปดสิบพรรษาสี่สิบห้าสี่สิบห้าพรรษาอายุแปดสิบชนพรรษายังเทศนายัางสอนอยู่ไม่ไม่บกคร่องเลยศาสตราของเรานะ่ะไม่บกคร่องเมื่อมีที่ตำแหน่ง ในคำสอนในคำที่ผิดที่ถูกไม่บกพร่องตรงไหนแตาจะอ่านดูแล้วไม่ต้องลังเลสงสัยหรอกพวกเราก่มหน้าคมตาปฏิบัติถ้าอยากรู้เรื่องพระพรุทธเจ้าต้องตั้งต้นจากการเจริญสติเอานั่น่ะเอาตรงที่พระพรุทธเจ้าตัดสู้คืนนั่นล่ะมันเป็นเดือนหกก่อนพุทธศก สี่สิบห้าปีนะตอนนั้นนะแต่ถ้าก่อนนั้นอนะ่ะจะลำบากทรงสรงปฏิบัติแบบทุขะกิริยาทุกขกิริยาเตโพังปวเดเท้นะอาจจะมีรอยทุคคกิริยามาด้วยไม่กินข้าวไม่กินน้ำ มันก็ลงปูเทียนนะ่ะเอากลางคืนเป็นกลางวันเอากลางวันเป็นกลางคืนพระเจ้าก็เป็นโลกก็เพราะความผิดบางทีมันก็ทาให้มีมีแผลมีรอยรอยผิดบ้างนอนไม่ต้องไปอดเละนอนก็ไม่ต้องอดกินก็ไม่ต้องอด มาจเจริญสติเข้ามาตรงนี้เลยนอนให้อิม่มกินให้อิม่มแต่อย่าอ่อนแอถ้าไม่ได้กินก็ไม่ต้องทุกข์แต่เวลากินก็กินให้อิม่มเวลานอนถ้าไม่ได้นอนก็อย่าเป็นทุกข์แต่เวลานอนก็นอนให้มันอิม่มมาจเจริญสติ เนตั้งต้นจากตรงนี้เลยคขึ้นวันเป็นเดือนหกแต่ก่อนก็ไม่มีตำรับตำราหร อ, อกในแต่การกระทั่งมไปพระพุทธเจ้าของเรานะพอมาเจริญสติในวันเป็นเดือนหกนะเกิดตลอยขึ้นหลายอย่างมีจริงจริมีร่องรอยจริงจริงผมก็ไปตามดูรอยพระพุทธเจ้า ในประเทศอินเดียลอยที่มีลัศสมีอยู่อินโดนีเซียมันนี้ลังกาพ ม, าม่าวันนี้นา <c oughs> ชดจันสมบูรณ์แบบในตำรากับในผมในประเทศไปดูแล้วก็โอ้จนผมเขียนใน วันนั้นในหนังสือประจำวันวต่อนนี้ไปจะไม่พูดคำว่าไม่ไหวแต่เป็นการพศศาสนาคำว่าไม่ไหวจะไม่พูดศากษาพวกเราเนี่ยนิดหน่อยไม่มากไม่เท่าทุตลีที่ติดฝ่าพระบาทของพระเจ้ารอกในเราจะมีการศึกษาที่รู้บ้างก็นิดหน่อยไม่เป็น เทียบเท่ากับพระองค์พระพุทธเจ้าได้งั้พวกเราศึกษาลองดูปฏิบัติลองดูถ้าไมมีสติเนึ่ยก็ถือว่าตามรอยพระพุทธเจ้าแต่เราอยากโลภชีวิตจิตใจของผู้ใดเราต้องทําตามผู้นันลองดูแล้วเราจะอยากกู้พ่อแม่นี่เราเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ลองดู ไปจากรู้ว่าครูบาอาจารย์เป็นยังไงเราก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ลองดูเราอยากรู้พระพุทธเจ้าลองศึกษาตั้งต้นจากตัวนี้ลงมีความรู้สึกมีความรู้สึกเห็นเห็นดานสีดานเนี่ยถ้าขี้ได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่จนหรอกนี่คือกายนี่คือเวทนานี่คือกิจนี่คือธรรมจะไม่มีอะไรกักขังได้ถ้าขี้ให้ชัด ขี้ให้ถูกตั้งแต่ต้นแล้วแลนะเราจะขี้ไปเรื่อยๆแนระือเล่ามันจะสักแต่ว่าสักแต่ว่าไปเรื่อยๆนะความโกรธก็สักแต่ว่าความโลภความหลงก็สักแต่ว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์อะไรมันก็จะหลุดไปเลยหนระือง่ายหนระือเปล่าแต่ขี้จุดนี้ไม่ชัดแล้วก็มากจะสับสน มันทะลุได้เหมือนกันนะมันแตกฉานเอาจริงๆมันแตกฉานบางคนเรียนวยากรก็แตกฉานภาษามอแตกฉานภาษาแล้วก็จัดการถูกต้องออวมาเป็นคำพูดออกมาเปรียบเทียบกับสติปัญญาได้การแตกฉานในปรัมมัทธสภาวธรรมไม่มาก เราโดยขี้ผิดขี่ถูกตั้งแต่ต้นซะนี่คือศีล น, นี่คือสมาธินี่คือปัญญานี่คือมักแนนอนที่สุดละทาลองดูสัมผัสลองดูแล้วก็เราทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่มันถูกก็ทำไปได้สิ่งที่มันผิดมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมได้ ศีลก็ใช้ได้แลละช่วยเราด้วยสมไปสมาธิก็ใช้ได้ก็ช่วยเราได้ปัญญาเอาโตัวรอดได้พ้นทุกได้นี่คือปัญญาแต่มรรมะก็ทำทุกอยู่เนีย่ยมรคือดูคือเห็นอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมันเห็นโง่นงี่ยริงจริงโง่ก็เห็นมันจริงๆริงว่าเป็นโงเหา่า เอาไปเล่นกับมันก็ได้นี่คืองูชงอางเราต้องหาวิธีจับมันมันจานสุดทัดจับงูชงอางไม่ใช่งูสิงไม่ใช่งูเหลืองถ้างูเหลืองก็ไปหยอกกับมันได้แล้วจงอางเราต้องเอาจริงจังอะไรจะไหมหนึ่งเราเห็นอยู่เนี่ยเราก็นั่งสร้างจังหวะอยู่ในกระต๊อมในป่างู แต่มันไล่งูเห่ามามันไม่ไล่หรอกแต่ว่ามันงูหเห่าตัวนั้นอาจจะไปใกล้หลังลูกของมันแต่ว่าทั้งโคู่ผัวกับเมียก็บแต้มันก็นไล่ to ล่องแ๊กๆบางทีก็โดดกัดทา้งว่างงูเห่าบอกขึ้นสู้คื่นไปสู้โควกันเดีงูเห่าเลยไปแต่ก็กระโดก ด, กดกดาดทั้งปั๊ดดบฝัง่งตัวผัวตัวเมีย งูเห่าโดดเข้าไปสู่ก็เลื่อยมาเลื่อยมาเราก็เห็นมันอยู่ว่ามันเป็นงูเห่าเลื่อยมามันจะเข้ามาใต้เตียงที่เรานั่งอยู่มันไม่เห็นเราแล้วก็เอาไม่ขีดกล่องไม่ขีดทิ้งไปบอกว่าให้มันเราให้มันรู้ว่าเราอยู่นี่เธออยูา่มานี่พอทียงไปมันก็ไปถูกหัวงูเห่าประดี งอโชว์คอขึ้นมองเราแผ่พังผานโคเราก็ดูกันอยู่นี่งูเราเห็นอยู่เนี่ยมันกัดเราไม่ได้ตอนนั่นแหละถ้าเห็นนะแผ่พังผานโคเราเราก็ห่ผมผ้าอยู่เป็นฤดูหนาวเรากลัวมันจะพ่นน้ําลายอง่ของเรามันก็พ่นน้าลายเรางอโเอาผ้าห่มมาลึงไว้ แล้วก็ดูมันอยู่เพาผ้าผมมานขึงตัวไว้กามมันกระโดดมามันคงไม่กระโดดไวเท่าไหร่แล้วก็วางแผนก็ต้องเอาผ้าพื้นนี่แหละคุมหัวมันแล้วก็ขึงผ้าไปนี่แล้วก็มั่นใจเพราะมันเห็นอยู่แล้วที่เดี๋ยวก็ โอ้ได้แมานางว่าปุ๊บหวลงก็วิ่งเขาก็ไปไปเลยทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรมันนี่เราเห็นการเห็นกิ้นเล็เห็นตัญหาเห็นความผิดเห็นความถูกต้องมั่นใจจนตาแ น, น่นละนี่จึงเรียกว่ามักว่าผลทำอย่างนี้อย่างนี้มันก็มีแต่อย่างนี้มีอย่างนี้มันก็มีแต่อย่างนี้ไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่มี ก็คือมักคือผลหรือบปมักคือดูคือทำอยู่ทาด้วยมือของเราเองไม่ต้องไปอ้อนไปวอนปีมือเราทำเอาเองแล้วเราก็ทำได้ด้วยเห็นก็เห็นของจริงสิ่งไหนไม่เที่ยงก็งชี้ลงไปเนี่ยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตวนสติมันแตกฉานการเจริญสติมันแตกฉาน ในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในชีวิตเราเห็นทีเดียวจบไปทางชาติเห็นเห็นรูปเห็นนามนะเป็นหลักสากลที่สุดจะถือว่าใครชาติใดเราก็คือรูปความนามรูปความนามก็เท่านั้นแหละนั้นคืออะไรก็รูปแล้ว ไม่ให้มันเป็นใหญ่เราจะใช้มันจะใช้รูปจะใช้น้ำแต่เราไม่เห็นความเป็นจริงของรูปของน้ำแล้วโอ้มากกิเลสก็ต้อง1ันห้าตันหาก็นต้องร้อยแปดมากมายแต่เราเห็นมันก็นิดเดียวมันมีจุดอ่อนเหมือนกับเราเห็นช่างคนที่เห็นช่างเขาเห็นจุดอ่อนด้วยเขาก็บังคับมันได้ หรือคนเห็นรถยนต์ขนาดใหญ่เขาก็บังคับบันดาแต่คนไม่เห็นไม่รูม้มีความรู้ก็ใช่มันไม่เป็นแล้วแล้วใช่ให้สําเร็จประโยชน์ใช่ลูกเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช่น้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นปัญญาทั้งนั้นเห็นความทุกข์ก็เป็นปัญญาเห็นความโกรธก็เป็นปัญญา ไม่ได้เป็นผู้โกรธเห็นมันโกรธไม่ได้เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์ทุกวางอย่างเห็นทุกวางอย่างกําหนดรูปทุกวางอย่างละมันเท่าไปตามสภาพคําว่าทุกข์ที่เป็นอุปท า, านไม่มีมันให้โง่ไปนั้นนะ่ะถ้าเราเห็นหรอกนี่แต่ฉลาดนี่นะการเจริญสติเนี่ย แตกฉานมันโล่มันโล่กแก้มันเห็นเราก็พยายามลืนตาขึ้นโู่แล้วรู้สึกไปอย่าเพิ่งไปคิดหาทำซื่อๆไปก่อนทำไปรู่ไปอีกเมื่อขึ้นโลูก็ใช่ได้แล้ววางมือลองโล่แล้วทำตรงนี้แหละ เดินตามรอยพระพุทธเจ้าไม่ใช่รอยอยู่ที่พรบาทสระบุรีลอยอยู่ที่คนครพ น, นมมันเป็นรอยอิดรอยปูนรอยหินวะไรเราไม่ได้ลอยจริงก็คือนี่แหละคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเนี่ยมีสติศึกษาไปตามไปนะอันนี้ จะมีประโยชน์เกิดการพบเห็นเราก็พูดกันทุกวันทุกวันวันนี้ฮะพระพร้อมกัน กัตโตขะพะตัโมทามมะมะสติปโนะะวะะสังโสังนม